ความคิดคือความก้าวหน้าของจิตในตอนแรกทำสมาธิแล้วเราจะรู้สึกว่าจิตสงบดีอยู่แต่เมื่อทำไปทาไปแล้วไม่ค่อยสงบโดยธรรมชาติของสมาธิถ้าสมาธิจะก้าวหน้าเมื่อทำไปทาไปตอนแรกอาจจะมีความสงบลึกลงไปแต่มาภายหลังนี่ พอรู้สึกว่าจิตจะรวมรวมเท่านั้นจะเกิดความคิดผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาอันนั้นแสดงว่าจิตมีพลังที่จะทำงานได้ในตอนแรกๆมันติดความสุขความสบายมันก็ดูดดื่มลึกลงไปแต่มาภายหลังจิตมันรู้รสแห่งความสบายมันทำให้ติดซึ่งมันรู้โดยสัญชตาตญาณของมัน แล้วภายหลังพอสงบลงนิดหน่อยมันจะเกิดความคิดผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาสารพัดจีปาถะที่มันจะคิดในทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้กำหนดสติตามรู้อยู่อย่างเดียวตามความคิดที่เกิดขึ้นสำรวมสติกำนดรู้จิตเฉยไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นถ้าจิตอยู่นิ่งๆปล่อยให้นิ่งไป ถ้าหากคิดปล่อยให้คิดไปแต่เอาสติตามรู้รู้รู้ไปทุกระยะรู้ว่ากำลังนิ่งรู้ว่ากำลังคิดแต่คิดเรื่องอะไรอย่าไปสนใจให้ทําเหมือนเหมือนกับว่าเรานั่งหลับตาอยู่เฉยเฉยมีอะไรมาถูกต้องกายเราทําความรู้สึกเพียงแค่ว่ามีสิ่งถูกต้องเท่านั้นสิ่งนั้นคืออะไรอย่าไปสนใจ ความคิดนี้ก็กำหนดหมายรู้เฉพาะจุดที่เกิดความคิดเท่านั้นความคิดเรื่องอะไรไม่ต้องไปตั้งใจวิจัยหรือวิจารณ์ถ้าหากว่าออกไปทำงานก็เอาสติตามรู้อยู่ทุกอิริยาบถการทำการพูดการคิดให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อนอนลงไปจิตมันคิดกังวลอะไรปล่อยให้มันคิดไปเลย ให้เอาสติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับนี่แบบนี้ถ้าปฏิบัติต่อเนื่องการทุกวันทุกวันทุกวั น, วนพอหลับปุ๊บลงไปแทนจะหลับมือดอย่างธรรมดาจิตมันจะสว่างขึ้นแล้วมีธุระกิจการงานอันใดที่ขัดข้องที่เราแก้ปัญหาไม่ตกมันจะวิ่งเข้าเป็นอารมณ์จิตจะทำหน้าที่แก้ไขปัญหานั้นๆซึ่งมีลักษณะเหมือนนอนหลับแล้วฝันไป แต่ก็แก้ปัญหาตกอันนี้คือเรื่องสมาธิทั้งนั้นสมมุติว่าพอเรานอนลงไปงานที่มันคล่องอยู่เราแก้ปัญหาไม่ตกจิตมันจะนึกว่าจะนึกหรือไม่นึกก็ตามเราตั้งปัญหาถามตัวเราไว้ถามตัวเองว่าปัญหานี้เราจะแก้อย่างไรแล้วก็หยุดกำหนดรู้จิตอยู่เฉย แล้วจิตเขาจะปรุงแต่งความคิดของเขาขึ้นมาเองแม้ว่าจะไม่คิดเกี่ยวกับปัญหานั้นก็ตามปล่อยไปตามธรรมชาติแต่ให้สติกำหนดตามรู้ตามรู้ตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับพอไปถึงจุดที่เขาจะแก้พอจิตว่างลงพับปัญหานี้มันจะวิ่งเข้าไปแล้วจิตจะทำหน้าที่หาทางแก้ของเขาเอง